อัลลอฮฺประทานอัลลอฮฺผู้ทรงอัลลอฮฺเป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกสิัสิ่ มุสลิมเราเนี่นะครับ่ำแค่ไหนก็แค่นั้นแ่ะนั่งไกลๆไม่เกี่ยวคนะ่ะไม่รับผิชอบนะมีแต่คงมีแค่นี้มุสลิมเรานี่ยนะครับพี่นะ้องจะมีข้อบุญกับอิสลามโดยไม่มีข้อสงสัยเหย ที่จะให้จุดเินของมุสลิมนั้นทุกขศอดทดกอ บ, กอบตามสถานการณ์ขอ ง, ของชีวิตไมายถึงอะไรหม่ยถึงว่าอิสลามนั้นมันไม่ใช่ของที่จะมาทดลองมาลองอิสลามี่เออเราเครียดเรามีโรคจิตเรามีปัญหาการเมืองเรา มีปัญหาเศรษฐกิจเอามาลองอิสลามกันที่มันเบื่อแล้วว่ามันเอาทุนนิยมเอาคอมมิวนิสต์มาใช้กันแล้วมัอาลอิสลามแล้วมาสิถ้าพูดกับต่างสาสนาอันนะั้นได้พูดกับตัางนี่นะได้พูดกับมุสลิมก็ได้กับมุสลิมยังไม่เต็มร้อยกับ อ, อิสลาม อยากจะพิสุดความเป็นมุสลิมด้วยการเอาอิสลามมาทดลองอ น, น, นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความศรัทธาที่แท้จริงเราต้องแยกระหว่างจุดที่เรายังไม่ได้เป็นมุสตาห์คำว่ายังไม่ได้เป็นมุสการนะ์รวมถึงการที่ยังสงสัยใน ถึงแม้ว่าปะตญานตนถึงแม้ว่ากะรีโมแล้วเพิงสงสารมีอะไรมเนี่ยมีจริงหรอนี่ไม่ใ่สมีจริงห้สวรรค์มันมีจริงหรอนีเอา่แนที่วิวาอ่ะเฮ้ยอุานี่ Allah ให้มาเพื่อาเอามาใช้ในการดำรงชีพมันมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่ามันแล้วแต่ ตามมัที่าศัยแบบนี้ไม่ใช่ลิมแล้วปัญหาของมุสลิมในโลกปัจจุบันนี้มักจะเกิดขึ้นจากความคุมคุ้มเคารหรือข้อสงสัยเหล่านี้แล้วยังเป็นปัญหาที่ทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเดือสงสัยด้วยว่ามุสลิมประเภทไหนประเภทอะไร สิรับอิสลามแล้วแต่ก็ไม่เอาอิสลามเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมแล้วก็เซกลาเซกลาคือแยกศาสนาแยกศสนาจากโลกเป็นมุสลิมแล้วพวกเซกลานี่ก็เอาด้วยความปรุงใจพูดว่าเออผมไม่ชอไม่ชอบคาเฟ่นะผมเป็นมุสลิมนะผมละหมาดนะผมไปทำฮะจีทุกปีนะเนี่ยภาพเนี้ยสร้างความสงสัยในลูก เป็นโลกต่างวงเลยมุสลิมคอมมินิสต์มุสลิมสังคมนิยมมุสลิมที่อาจจะบรรจุลักธิหรือความเชื่อใดๆที่มันสวนทางกับอิสลามนะในวิถีชีวิตของตัวเองแล้วยังอ้างเป็นมุสลิมมุสลิมมีผู้นําอื่นจากท่านนบียเนี่ยนบีที่เป็นครูที่เป็น ตัวอย่างเป็นแบบเฉบับของอุสมิมทุกคนนะนะอุสมิมบางเมียนอื่นเราเราถูกสอนให้ละหมาดเหมือนนบีเชื่อเหมือนนบีแต่ว่าใช่อุทิชีวิตเหมือนนบีแต่ก็มันเมี่ะเชื่อไม่เหมือนนบีละหมาดไม่เหมือนนบีกินก็ไม่เหมือนนบีใส่ก็ไม่เหมือนนบีอะไรก็ไม่เหมือนนบีนบีไม่ได้อยู่ในจินกันนะไม่ไม่ด้อยู่ในมโนภาพ แต่ก็ย um ังยังเป็นมุสลิมพอเดี๋ยวนี้กระบวนการกระบวนการทางกฎหมายนี่มันเพื่อไงเรื่องศาสนานี่สมัยนบีเนี่ยไม่ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นมุสลิมด้วยบัตรประชาชนระบุว่าเป็นมุสลิมปฏิญาณตนกับนบีแล้วเวลาอละอิลลลลอฮมุฮัมมัดรุสุลลั แต่ไม่ละมาศุบุก i านาบีนี่สามารระส่งส i ่งนี้มาทิ้งไดความเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีคุณสมบัติไม่ใช่อย่างที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขานิยามกันนี่ก็มีมุสลิมมุสลิมขโมยมุสลิมซุงหัวก็มีเหมือนกัน มันเออ่อมันมนมโนภาพนี่มัผนผูกพันไว้กับอะไรสักอย่างเนี่ยมันเพราะเนื้อความคำว่าเป็นมุสลิมเนี่ยมันคาดเคลื่อนหรือมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้รู้ที่เชี่ยวชาญที่มีฐานความรู้เกี่ยวกับอิสลา ม, มนเนี่ยมันยามคำว่าว่าอิสลามคำว่ามุสลิมจึงเกิดข้อกุณมข นี sehen, ่ก็ยังมีคนสงสัยว่าบัชชาร์ลัสนี่เป็นมุสลิมมีคนยังสงสัยว่าซีซีียซซอย่าังเป็นมุสลิมขอสงสัยมันเกิดจากเนียงเนียงแต่ดูในตัวบนลัก์หลักฐานนี่ ศาสนาดเถือว่าเป็นการสิ้นสภาพความเป็มุสลิมเช่นในสุรเดตตัวบาบุญาภิษที่ละมากันนบีศอักันนบีออกไปจนกันนบีในสงตะบุกว่าสุดยอดเลยถอว่าสุดยอดแล้วว่าทีรัในสงครามตะบุกนี่เสียสละทุแล้วเนี่ยชงฤดูร้อนช่วงที่กาลัง อ่ากําลังกําลังเก็บผลไม้อยู่กําลังคิดบัญชีกําลังนี่ให้บริจาคละก็มีมันาจจะมีบริจาคว่างว่างละตะกอนวงว่างทําอะไรเขาไม่มีเปิดเฟซบุ๊กเน้นๆมีว้องว่างก็มานั่งคุยกันจุดไปแล้วก็นั่งคุยกันคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะีร เรื่องซอฮาบอกเฮ้ยนี่มีขี้ขาดซอฮาบ้านมีขี้ขาชอบกินอย่างเดียวแค่นี้ทั้งละมาทาั้งซอมาโกทั้งจิฮาสไม่ลืมนะคนคนนี้เนี่ยไปอยู่ในกองทัพของนบีนะไปในสงครามที่ยอดเยี่ยมของมุสลิมในการปกป้องอิสลาม แต่อัลลอฮ์บอในพุทธคดีเขาฟื้ต้บะอิมาีกุลสูจ้านีได้ได้กุฟืแล้วได้ปฏิเสธแล้วภายหลังที่พวกท่านเนี่ยได้อิมาอ้าวเขละมาดะเขาคาิม่อนะเขามีคาิม่อเขามีละหมาดมี h a d เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอ้างแล้วนะจิ h าดแทบไม่มีใครมุสลิมมาที่มีจิ h าดนะในโลกเยะมาดเขา เขาชี้ฮัดกันนบีกับฝรงตัมบาดะอิมานอามีนะและแหละจ่าเตะนดิรุก่อนนะก่อนประโยคเนี่ยหลาจ่าเต็นิรุไม่ต้องขอโทษด้วยมาขอโนบีขอโนบีไม่ใช่คือมันตกศาสนาไม่เกี่ยวกันนบีนะมาขอมาอัปนบีขอมาอัปสาไม่เกี่ยวถ้ามันคนสองคนน่ะไปทําศีนากัน พมพ์สารตัด <serv> ส <ic iat> ินเอาเขียนลงโทษผมกมีขอมาอับเาแล้วขอมาอผูญิงเขาแล้วเขาียให้แล้วเอ้ามีเกียวเป็นสิทธิของศาสนาของอัลลอฮฺที่จะต้องลงโทษน่จ <am ulas> ับตดีรไม่ต้องขอโทษต่ากับปรตตุมบาดาอีมันนี่พอนิยามแบมันก็ต้องทุกข์ทุกและอีความเข้าใจอ่ะอีกความก็อีกอย่างนึง คนที่ทำดีนะคนขโมยนี่ขโมยทำบาปใหญ่ขั้นนี้คนบางคนเนี่ยที่ทนเดีด๋วยวขโมยเขานี่ยว่าตัวเองตกศัสนาแล้วบาปใหญ่มากหรือคนบางคนเห็นคนที่ทำดีนะขเขานึกว่าตกศัสนาไปหนึ่งอย่งที่ีน้มุสลิมหลายคนเข้าใจว่า ชาวมุมอะเป็นงานกับกาแฟนตกซสคนเข้าใจแบบนี้และหลคนเข้าใจบ้านมลัคนเยอเข้าใจคนที่่ คนนิรภิษัทใหม่ยังไม่ใช่มุสลิมแท้นี่ความเใจน้เาไม่มาจกไหนคนนรภิษัทใหม่นี่ไม่ใช่มุสลิมแท้และพอจะพูดถึงคนเหล่านี้คนรทม่ัสนิรภิษใหม่แล้วก็มาแต่งงานกับมุสลิมาเดิมเขาก็ถามว่ามุสลิมคนนี้แต่งงานกับใครอ่ะเขาแต่งานคนพุพคอ่ะคพุทเน่่ะเขาไม่ใช่รับอิสลามเลไปเรียกขาุทยังไงอ่ะคือเา คนอิลาแล้วแต่มันความรู้สึกลกะมันไม่มุสลิมแทุ้นี่มันมีเอาดูดน้น ا ายบีสุลต่าอะไรยู่ต้นเลยที่นบีบอกว่าบุคคที่กาลละอิละห์อิลลัลลอฮฺข้ลิซันมุคลิซันมันกลบได้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะหลุดจากความสวรรค์ว่าอินเจนะว่าอินทร ถึงแทำ ل م ا ะถึ م แม ا ว่าขโมยอับูบัซ رسول الله وإن ذ พ و ะเ ن ้าว่ ل อินซ زنا لك าอินทรั ا ถ نبي ม้ว่าดีนะแล و โมยด้วยนะนบีตอ ر ว่าว่าอินซานะว่าอินทรัคราห์มะอั ا ن ี่อับูบัซร์ถึงแม้ว่าดีไม่พอใจก็ต่าง นี่เป็นหลักการของเราเห็นไหมสองภาพนะภาพคนทีาา่ละมาต์ซาลกอฮิฮัดเป็นมุสลิมแต่เผือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแนะตกศาสนาได้ถึงแม้ว่าละมาตภาพอีกคนหึความชั่วขนาดไหนไห น, นะแต่ก็ถือว่าเป็นมุสลิมแต่มันมีเงื่อนไขไงมีเงื่อนไขทั้งสองมีมีเงื่อนไข เนื่อนขทั้งสองนี่นะสังเกตได้เลยคนที่ทำจีนะาโมยและมีการเลนี่นะข้าวสาแต่นาฬิกาบาลิาวได้ล้วาลิซอนมุขลิซอนมินกลดีฮีข้ลิซนโดยสุจริตมุขลิซอนดูความบริสุทธิ์มินกลดีฮจากหัวใจือ คนที่ทาดินา่าโดยมีกะลิมุกตั้งใจอ่างนะั้จะเป็นคนที่มีหมวัวใจสํานึกผิดฮะคนที่ขมโมยโดยมีกะลิมมุกอย่างบริสุทธิ์ใจมีลาไรอะไรเรลเรียอย่างความบริสุทธินะ์ใจอ่างนั้นได้บริสุทธิ์จะมีความสำนึกผิดและจะกลับเนื่อกลับตัวและสารับผา เขาไม่แต่แบพาตัวเองทความผิดสารภาพแต่คนนี้ละหมาดสะอกจีหาดโอ้วดไม่ได้มีความบริสุทใจซึ่งโอกาสที่จะตกเสนนาไปปรุทฏปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นการปฏิเสธนี้มีสูง แตสดงว่านี่ออิสลามเนี่ยของมุสลิมเนี่ยไม่มีอย้นคนคนส่วนมากเนี่ยหรือคนหลายคนมีความเข้าใจอิสลามและมุสลิมที่จะต้องสํารวมตัวสํารวมชีวิตสํารวมวิถีชีวิตเนี่ยให้อยู่ในกรอบเนี่ยนะอิสลามด้วยความเลื่อมใสเนี่ยไม่เหมือนคนที่เข้าใจว่าอยู่อยู่ในสังคมมีบัตรประชาชนขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิม หรือมีทะเบียนในสำบริษของอมัสซิเกิดมาจากบิดามารดาเป็นมุสลิมผู้ภาษามาเลเซีภาษาอะงภาษาอัก็เป็นมุสลิมใช่ไหม ถ้าความเข้าใจขั้ขึ้นแบบนี้มันจะไม่เกิดความเสียหายในมิติของเกิดความเสียหายในมิติของความเข้าใจในตัวบทของอิสลามขงุงสลามเองและนี่คือปัญหาที่ที่พวกเราทุกคนนะักมุสลิมทุกคนนะจะต้องคึงเสมอ ความเข้าใจคั้วเคลื่อนของมุสลิมอาจจะคิว่าอิสลามก็คืออะไอเรอิลามก็คือศาสนาเนี่ยเช่นเดียวกันความเข้าใจของคนหลายคนที่เขาบอกว่าเราจะดํารองอิสลามเราจะปฏิบัติาตามหลักการอิสลามเพราะเรารู้ประโยชน์ ไมละหมาดเอละมามันชวยได้เยอนเครียดถ้ามีอะไรนิโอละหมาดแล้วนี่มันช่วยได้เยอะหมายถึงว่าถ้าช่วยไม่ได้น่ะไม่ละหมาดใช่ไหมถืเามาอเสนดูดีถือเนอดแล้วก็รู้สึกล่วงเลยนะทั้งน้ละไขมันลดลงเบาหวานดีนอ่ะเนี่ยอาแล้วก็ถ้าเบาหวานเหมือนเดิมความดันเหมือนเดิมอ่ะไม่ถือเสนด มนมีการไน่ดีมีการไม่ดีมากนีการแล้วไม่ทำดีน่ะเออแสดงว่าเราได้มีการแล้วทำดีน่ะอิสลามก็ล้มเหลวเหรอขู่พันคำสั่งสอนกับอิสลามกับเหตุผลกับผลประโยชน์อัใคร่เร่อันจะไร้ไร้เดยงยายามวิก ยามที่คนจะมองอิสลามในแง่ที่ไม่ดียามที่คนไม่มีวิสัยสามารถพิสูจน์ได้คุณงามความดีของอิสลามอยู่ตรงไหนอะนะทอแน่นอนสุดเลยทาไมไม่มีอิสลามไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลเราจะเอามายึดปฏิบัติทำไมเคยนะมุสลิมที่พูด คนละมาแล้วมาหากินเนี่ยไม่มีรู้สกีเลยคุณลองหน่อยลงไม่ละมาเงี่ยมันง่ายเงี่ยอ๋อพอละมาแล้วนี่ไม่มีรูสกี่กูเจ๊งกูกเจ๊งขนาดนี้กูเจ๊งตลอดเลยไหนดูที่ทมเหมือนคนทั่วไปกินเหล้าบ้างมีแฟนบ้างมีมีพฤติกรรมเหมือนคนสาวคนบ้างดูสิมันจะเจริญไหม อ, อิสลามก็กายเป็นบททดลองหรือเป็นศาสนาทดลองเป็นลทัทธิทดลองหรือเป็นแนวคิดทดลองเหมือนแนวคิดทัด่วไปนี่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมนะศึกษาอิสลา ม, มให้ถึงศึกษาเปรียบเทียบอิสลามกับศาสนาอื่นกับแนวคิดอื่นศึกษาให้แน่ชัดเป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้าไหม มีพระเจา้าที่สร้างโลกนี้ไหมที่สุดเราให้แน่เราให้แน่แต่พอแน่แล้วนี่นะศา ส, สนาที่เรายอมรับปติญาณตนแล้วยอมรับเลยเจ้าของศาสนาแล้วยอมรับว่าตัวเองเป็นเบาของพระเจ้าของศาสนานี้แล้วเราต้องพยายามให้พุติกรรมของเราวิถีชี้นของเราสอดคลองกับอิสลามเสมอเสมอ ส่วนข้อผิดพลาดเราก็ต้องสารภาพว่าเราผิดพลาดแล้วก็ขอเพียโทษส่วนอะไรที่เรายังสงสัยอยู่นี่ก็ต้องพยายามศึกษาไปเรื่อยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยสมบูกับหลักการศาสนาคนกินเหล้าคนสูบบุหรี่ดูนะักตะกะ เราจะเชิญชวนใ้คนเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยเราจะพูดยังไงมีสำหรับทั่วไปนะเราก็จะเอาตักกะที่ให้เขาเข้าใจเชื่อตระหนักว่าบุหรี่นี่มันไม่ดีบะรีอันตรายน้อยนะ ที่จะเชิญชวนให้คนเลิกความชั่วด้วยคําสั่งหร่อไงใช่บุหรี่ทำไมอ่ะห้ามเอาพูดแบบนี้นี่มั น, ม, นมันแรงมะแข็งมะแข็งบ้างแข็งสาหรับมุศธาจริงๆนแล้วเราอย่าดูถูกคนที่เดินสู่บุรี่กินเล้านะที่จริงขั้นตอนในการด่าว่านี่มันต้องเริ่มตรงนี้ก่อน เริ่มเรื่องที่หลักการเรื่องบุรี่เธอะทําไมเพราะเราห้ามมันทาร่ามันต้องมาก่อนที่จะพูดเรื่องบุหรี่ก่อนที่จะพูดเรื่องเรื่องทาร่าห้ามชีวิตของเราต้องเชื่อมือของพระพี่น้อยพูดถึงเรื่องหลักการศาสนาเพราะในจิตจำนึกของคนแต่ละคนนี่ส่วนมากในหลายคนนะนะการเชื่อฟังในคําสอนนี่มันจะไม่มันจะไม่ ไม่ได้อยู่ในในลำดับแรกของความสนใจเลิกบุหรี่เพราะมันอันตรายเลิกเหล้าหน่เพราะมันเสียสุขภาพไม่ทำศีหนารู้อะไรกลัวเองอะไรประมาณน แต่วันนี้พออ่านอายะที่เจ็ของสุรตะหม่แล้วมาอ่านคำอ ธ, ธิบายของบรรดาเลยว่าอุปศรีในในเรื่องในอายะเนี้ยขึ้เลือคือมันเป็นมิติใหม่สำหรับสำหรับการเบรย์ไตรสลามที่ผมได้ได้ได้รับความรู้ใหม่ จากคาอธิบายของอัสลามุซฮันเพผมตักานู้นเขาจอธานอีกอย่างหนึ่งเรามาอ่านตัวสลับกันนี่เขาอธิบายอีอย่างมาอ่านดูอัลลอฮฺ س ى ي ب ح ا ะ ه ละได้ดำรงไว้ว่าอู๋เลมุสุฟารุจีน فذكر نعمة الله عليكم ومساقه الذي و س ق ت م به رأتم سمعا و ا ط ق ا فاتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور <تصفيق> الله م ب ف ر لجنداملك عن قام كرامة م ي ا د الله ا ل ذ ميّاده ควาเมื่อึดถึงความกรุณาเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าผมเข้าใจหมายถึงว่าความกรุณาความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เนี่อะะนะมะตั้งหลายนี่ะมะอ้ยนี่นี่อะมะแปลว่าอะไรแปลว่าทุกทีอัลลอฮ์ให้มีชีวิตมีสุขภาพมีมีร่างกายสมบูรณ์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ให้มีบ้านมีรถมีคู่ครองมีลูกมีครอบครัว มีพักพวกมีงานมีอาชีพมีความรู้เนี่ยอุษกรุลำลึกสิยอาให้มาเยอะแยะอันนี้ผมเคยเข้าใจมาตังตอนว่ามีแท้ก็หุ่นที่วาสขะคงดีและต้องดำลึกถึงสัญญาของพระองค์ที่ได้ทรงกระทํามั ई, ่นไว้ที่ได้ทรงกระทํามันไว้แก่พวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าอิศกุ่ตุ่มเสียงนาและอัตตาหนาขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วและพวกเราเชื่อฟังแล้วรำลึกถึงเนื้อมาของอัลลอฮ์รำลึกถึงสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ทําไว้กับพวกชาติสหรับเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ แต่สำนวนมันใช้นะมันไม่ผิดนะอธิบายแล้วเข้าใจว่าจงรำลึกถึงเแอม่าที่เอาน้ำลึกจะไดขอบคุณอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ให้มีความรู้อัลลอฮ์ให้มีอะไรตัวนี้อะไรในชีวิตเนี่ยรำลึกอย่าลืมแล้วขอบคุณอัลลอฮ์อันนี้ไม่ผิดแต่สลับว่าอธิบายลึกกว่านี้เขาอธิบายแอม่าความโปรดปรานความกรุณาเมตตาของอัลลอฮ์นี่ ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับสัญญาที่อัลลอ์ได้ทำไว้กับผู้ศรัทธาจงรำลึกถึงความโปรดปรานความการุณาอง Allah และสัญญาที่อัลลอฮ์ทำไว้นี่อุลมามะได้บอกว่าละมัซลับนี้อนิจารีบอการำลึกถึงเนามความกรุณาที่อัลลอ์มีคำสัง่งมายังพวกเจ้ามีคำสัง่ง มีคำสั่งสอนมีคำบัญชามีบทบัญญัติมาอย่างพวกเจ้านี่เป็นอย่างไรเป็นเน ad, al, ื้อมาที่อัลลอฮฺบัญญัติว่าอันนี้ฮะลาลอันนี้ฮะรอมระลึกถึงเนื้อมาเป็นเนื้อมาที่อัลลอฮฺมีคำสั่งสอนให้ทําแบบนี้ทําแบบนู้นและเรานี่กล่าวกับอัลลอฮฺด้วยสัญญาว่าเราเป็นบริาวารกล่าวว่าแตเมื่อไหรเราฟังแล้วเราเชื่อฟังแล้วเราจะปฏิบัติแล้วอัลลอฮฺบอกว่าระลึกแสดงว่า ความโปรดแปลงอย่างหนึ่งที่พวกเรานี่ต้องชุกชต่อมานี้ว่าอัลลอ์ให้เราเป็นมุสลิมที่น้อมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ Allah, แค่มีคำสั่งมาอย่างพวกเรานี่ถือเป็นความกรุณาที่ยงใหญ่แล้ว <c oughs> ถ้าคำสั่งของนายบถ้า คำบัญชาหรือคำสั่งของกษัตริย์หรือคนสูงส่งนี้แล้วก็มีเอ่ยชื่อเราผนะู้สึกยางไงฮะมีคำสั่งสัง่งเราด้ยมีเอ่ยชื่อมีมีระบุถึงถึงตัวเราูราร้สึกยังไงเป็นความกรุณา ก็น้อมรับน้อมรับพระบัญชาหรือพระราชบัญญัติของไม่ในหลวงของกษัตริย์น้อมรับยังไงด้วยความสำนึกด้วยความสำนึกในอะไร่ในพระมหากรุณาที่คุณด้วย ดูความระลึกในกรุณาที่ในหลวงเอ่ยถึงอ่ะเออพวกคนสูงอะเบื้องสูงก็เอ่ยถึงประชาชนทั่วไปนี่นะถือว่าเป็นความกรุณาสารพินเขาเขาเขาเขานื้อถึงประเด็นเนี่ย การที่เราเราอยู่ในสายตางของอัละลอฮฺแล้วกรุณาที่จะร่างที่จะพูดที่จะนํารักอุษานมีคําสั่งสอนเกี่กับเราเพื่อยกระดับยกสถานาะพวกเราให้เป็นผูานา้ศรัทที่มีโอกาสถวายคุณงามความดีต่อมันี่นี่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นยังไม่ปฏิบัตินะยังไม่อะไรยังแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความกรุณาแล้ว แค่น <tumor> ี้ก็ถือว่าอัลลอฮ์อัลล a ฮ์ให้แล้วมหาศาลแล้วเป็นเรื่องแล้วซึ่งเราวางส a งอันเนี้ยที่ซาลาตบรรดาอุลามะนะอิบตลยิมรีตรอธิบายองอันนี้อดีนอมตุลวมวามกรอัลล์วมลสมอรอ สัญญานี่อลลมาบางทันบอกว่าก็คือสัญญาที่อัลลอได้เอาเชื้อของมนุษย์ชาติทั้งหมดเลยจากกระดูกสัษหลังของนบีอาดัมออกมาเป็นรูปธรรมมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยในกุรานอนซุลละลาอาราะของล่ ทมันยาดั้นั้บูรีมรุยะทุชัดหัมาเลาะจิมเลสกบพราะเอาเอามาแลยอัลลอฮฺก็ถามว่าข้าหนี่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าหรือเปล่าก่อนอุเบลใช่แลวเนี่ยเป็นสัญญาไม่มีใครจำได้แต่อัลลอฮสรงบรรนานาบลีร์ละรซูลให้มาเตือนพวกกรรมตั้งมดา แล้วอัลลอฮ์จะไม่เอาสัญญานี้ไม่เอาสัญญานี้มาเป็นข้ออ้างในวันเกียรมั้งอ่ามึงคนบอกว่าไม่เลียงไม่เคยอัลลอฮ์ไม่เอาตัวนี้มามาเป็นข้ออ้างในวันเกียรมะ้งเทียมเราจะอามาเป็นข้ออ้างนี่ก็คือคําสั่งสอนที่บรรดาอาีรัสูลเนี่ยมาย้ําอีกทีหนึ่งมาบอกกับหมอกลั่นีิ แล้วคำมัลสอเนี่ก็จะมีบรรดานาเรอซูนเนี่ยก็จะมาทุบทวนสัญญาแรกนี่กับนาบียาดังฮันแรกแต่อันนี้สัญญาของบรรดานาเรอซุนที่มาทํากับพวกเรานี่เนี่ยที่จะเป็นข้ออ้างวันเกี่ยมาถ้าใครไม่เอานะครัถ้าใครเอาสวรรค์ถ้าใครไม่ได้ยินเลยอ่ะนี่แหละที่อ้างได้ตลอดผมไม่เคยพบนาบีรอซูนจากพระองค์ท่านเลยอ่าอันนั้นไม่เป็นไร น, นั้น จอดมั่งเราจะสอบสวนอีกทีหนึ่งไม่ไม่เข้านรกเลยเพราะไม่ใี่ักว่ามาคุณนนะาอันดีบีนะแต่นะมาเราจูลเราจะไม่ลงโทษใครนอกจากว่าจะต้องส่งราสูลไปอย่างเขกุลน สัญญานี่ก็คือที่ไปรักอิสลามต่อท่านนบีสุลนและให้สเตยบันสาาัฮาบะทุกคนที่มารักอิสลามนี่ก็จะไปให้สเตยบันกสเตบันกันกนบนบีว่าโอ้นบีเราจะเชื่อสังขันเราจะไม่กระทำอะไรที่มันสวนทางกับคำสั่งสอนของท่านเราจะไม่ดีนาจะไม่ขโมยเราจะไม่ทำความชัว่วนี่เป็นสนัญญาเป็นบัญที่ มุสลิมทุกคนเนี่ยในยุบ้นก็จะมาให้ใจตาบันในรอัลล์ก็บว่ารลึกิรำลึกถคุณงามความดีที่อัลลอ์ยุคสถานะพวกเจ้าจะจกยุคญอลีเป็นคนใจอลีเป็นคนขี้เมาเป็นคนที่ทำชิริกเป็นคนที่ไม่มีจัจญามารยตเลยกระดับเป็นคนที่มีคำสั่งสอนี่มาจากอัลล์เป็นคนที่มีคุณงามตามดีรำลึกสิ พูดถึงบรรดามุสลิมใียนั้นอัลเลาะหบางท่านบอกว่าอันนี้เป็นการเตือนมุสลิมให้ระลึกถึงสัญญาที่อัลลอฮ์ทำไว้กับบรุษัทอิสราเอลเชื่อฟังแตบริษัทสราเบิดผิวอยากทำเหมือนิยูน่าเขารับบัญชาจต่บิดผิวจึงถูกสาปแช่งระลึกถึงเนื้อมาของอัลลอฮ์ต่อพวกขั้นที่ให้พวกขั้นเป็นผู้ศรัทธาน้อมรักคำสั่อัลลอและก็มี ความสัทธาที่จะยืนยันรับเลือดถึงเรื่องนี้อัลมอฮฺเราเลนบอกว่าอันนี้เป็นการพูดถึงบรรดาอัลซอมรชาวมาดีนะที่เคยไปทำสัตายบาบันกับท่านนบีสามรอบก่อนที่จะนบีก่อนที่นบีจะอพยพไปมาดีนะก็ให้สัตยบ า, นนาบันแก่ท่านนบีที่จะเชื่อฟังนบีปกป้องนบออนนีอัลลอฮฺก็บอกว่าให้รับเลือดถึงเนา้อแม้ของอัลลอฮฺ ที่ยกระดาบับประชาชนให้เป็นผู้ปกป้องนบีปกป้องอิสลามจงภูมิใจนึกถึงสัญญานี่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช่จุดหนึ่งที่มันเป็นที่มีความเหมือนกันทุกอยานน่างเลนะ ในทุกกรณีที่ามานได้อธิบายนี่ก็คือสัญญาที่อมะทำไว้กับราผู้สรทาให้ปฏิบัติตามและการโาให้เป็นคนที่มีความเลื่อมใสต่ออัลล์แคนีนียแคที่มมีคาสั่งมาอย่างเราแล้วเราน้องรับอันนี้ก็ถือวเป็นมายิ่งที่เราต้องดำเนถึงเราดำเถึงกรุณาความกรุณาของัส เราได้ยินแล้วและเราได้ยินฟังแล้วอานแล้วเชื่อเราเชื่อฟังแล้วปิัติอย่าไม่ปิบัเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงอานในสุลตัอัลบกรนีอัลมาอิดานีมาตอนท้ายที่นบีคอนเสชีวิตนะอัลบกรานอายสุดท้าย ว่าอินทุบดูมาในตัวสิ่งของตัวสิ่สิ่งที่อยู่ในหัวใจภายในหัวใจของท่านท่ันจะเผยหรือจะปกปิดอัลลอฮ์จะสอบสวนและลงโุษและลงโทษสาบารถคุกคาย โอ้กน็น บ, บีเราเนี่ยแล้วมากขวี่ซาดาก้าวียจีนาแต่เขวี่แต่จะมาเอาลงโทษกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราที่เราไม่เผยไม่พูดเลยอะนะโอ้ยติมเราไม่ไหวเราไม่ไหวแนะ่เป็นครั้งแรกที่สหัสแปลว่าบอกว่าไม่ไหวน บ, บีก็บอกว่าอย่า ย่อูดยัี้ย่อบูดเหมือนบรรอิสราเอลให้กล่าวสมีงานว่าตั้านะอัลลอฮฺอะไรประทานอะไรลงมานี่นะนอมรับนอมรบคนนี้เป็นความกรุณาจากอัลลอฮฺอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮฺบอกพอสุฮาบะนอมรับแล้วอัลลอฮฺก็สรรเสริญแค่กล่าวนะเขายังไม่ได้ปฏิบัติริงนะทําไมเหรอสุฮาบะทั้งหมดนนที่เขกล่าวเนี่ยนวนแล้วเป็นมนุษย์สามัญชน ที่ย่อมมีโอกาสกระทาความผิดก็จริงด้วยสาบาหลังจากนั้นก็มีความผิดหลอย่างเพียงขากล่าวแสว่าต้ออัลลอฮ์ประทานลงมาสองอายะห์อามัน ا ล ر س و ل ب นี่สัทาแล้วและบรรดาผู้สัทาดวยกัูลเนี่ก็เช่นเดียวกัน สَตว์ท่าَ ي َไรแบَ ا ี إ أ آ ا ้มาอุ้งดِ ل َะอีเลียห์มิรับวีสัตว์ท่านในสิ่งที่ถู ت ُระทานลงมาเพียงก็เก่าเสีน้าว่าคนที่อุอัมนับิลลัยวะมาเลกตีวะคุตบีวะรุสุลีท่านมัวนึกว่าสัตว์โดยอัลลอฮ์มาَลก้าว ل นทีَ่ ا มะมาเลก้าแล้วก็ขัมَีต่างต่างแล้นุฟริกุไม่ได้พดมิรุสุลนบีละกวเราจะไม่แยก จะไม่แยกและไม่เลือกปฏิบัติในการศรัทธาต่อบรรดานบีิลลศทาหมดเลยว่ากอลูเนี่ยสันสนเขาศรัทธาและกล่าวว่าสนะว่านอุฟรานะกับบบะนะไปเลยกมุลิหลังจากนั้นอัลล์ก็ุตรละการศาสนาลยุลิบุลลอห์นัันิลลาอุซะอะไรที่เราทำไม่ไหวนี่อัลลอฮ์จะไม่บังคับเรา และหามากสะบัตวอะยมกสะบัตสิ่งที่เราผลขวายสิ่งที่เราสะสมเองกระทำเองโดยน้ำมือเราเองนั่นแหละที่จะเป็นผลไม่ดีต่อเราและสิ่งที่เราผลขวายที่มันเป็นสิ่งที่ดีดีนั่นละที่จะเป็นบวกสำหรับเรารับบันลตอคินดัวรันัลลอานััส่าอัฮ์โอลล์แต่วกเราได้ลืมได้พลาด ลืมพลาดผิดพลาดรำไปแล้วเราขึ้นไปนั่งซีนอัลซันรับบะนาวะลาต์ถมิ ل อาลีน่าอิ ا รันค์มาฮัมล์ตัวอาลล์ดีบรูยาให้พ ي กเรานีแบบภาระที่มันหนักมากเสมือนปชาชยุก่อนี่เขาแบบภาระ ที่ไร้แรงลก่าวคือชาวยูชาวยวนี่เนื่องจากความดือ้อดื้อดึงของอยวนี่นะอัลลอฮ์ก็ให้หลักการศาสนานี่เป็นสิ่งที่รุนแรงสำหรับยูเสื้อผ้านี่โดนนจาจะซักักไม่ได้เนี่ยให้ตัดเลยตัดส่วนที่โดนนจาจะซักทำความผิดแอบทำความผิดที่ไหนนี่นะ ชาวรุ่งเนี่ยหน้าบ้านก็จะเขียนว่าคนนี้ได้ทำความบินเองถนนมรปลายานจานแต่สำหรับผู้ทธาในศาสนาสุดท้ายที่เอามาประทานลงมายังมุสลิมาสนทั้งหลายอัลลอฮจะไม่ให้เป็นศาสนาที่ที่ลำบาก ربنا ولا تحملنا ما ن ط ا ق ط لنا به. داي برو داي راوي ب ا ي بع براتي ر ا ب ي بع ي و ي قلت لنا برو د ه ي ا بيدوك راوي قلت لنا لا ت ؤ خ ذ ن ا ا ل ن س ي ن ا فربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما ح م ل ت وعللنا يوم قبلنا ربنا ولا تحملنا ما ن ط ا ق ط لنا به وعف عنا ب ا ي برو. ลูกหลานความคิดของเร ا พระอ ض ค์สิ و ง ا ล ا าโปรด م ห้เราคุ้ ا คร و งขอพร ا แม่ ر ن ตตาพ و กเราอันต่อมาล้านแท้จริงพระเจ้าที่ใกล้ชิดกับพวกเราจริงอ ن ت ต่อมาล้ ا ن ฟังสุนนะอันค ا ามคิดที่ได้รดใหราเชนาตบุปถีิทธ ي ب ا ن د ق و م ا م س ل م ذنب صلى الله عليه وسلم ا ل ت ح و ا الله قل ع و ا قد فعلت الله فان دعاني لا جد حسدا نعما قالوا كبر جاو هاي أعفو عنا لنا هاي ألا تأكلي قا باي هاي كا هاي هاي كذي ที่อัลลอ์สรงเสริญผู้ศรัทธาว่าเขาศรัทธาในสิ่งที่มราประทานลงมาและกล่าวเสีม่อาวันกอนะน่ไม่ทำเหมือนพวกยูสเสีม่อาใวัาอัซซยน์เนเขามาทมูซายี้เลยฟังแล้วจะไม่เอายูสชั่วฤกษ์แม่น่าวอัซซยน์่ เล่นด่าด้วยนะเวิสมาไงรามุสมาตัเองมฟังด้วยนะวู้ยพูดกันมาเลยแล้วตัวเองมาฟังนะี่นฟังรังร่างด้วยนะยนะนึกถึงสภาเลยคุยกันนะไม่มีความเมตตาไม่มีความไม่มีความเคารพซึ่งกันและกัน สันเซินวุฒิทาและสันเสรินวุฒิทาที่กล่าวเสร็จมื่อในวันตอนเราเชื่อฟังแล้วเราฟังได้ยินแล้วเราได้ยินแล้วเชื่อฟังแล้วอันนี้เป็นการบอกทันันะ้สัญญานั้นนะ่ะเดียวเราทําไว้ความโปรโ ด, ดปรานเดี่วเราให้ไว้ก็คืออลัลลอฮฺประทานลงมาคําสั่งสอนแล้วก็ กรุณาแก่พวกท่านให้พวกท่านเนี่ยมีอีหมานมีความศรัทธาที่จะน้อมน้อมคาสอนและกล่าวสะเมืนาวาตานะกล่าวสอนเมื่อนะให้อภัยโทษในข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ขัดกล่าวที่ดีที่สุดที่ดสําหรับหัวใจของมุสลิมทุกคนมุสลิมทุกคนดียั แยากจะมีจิตใจที่นอกนอ้อมไม่แข็งกระด้างสาภาพต่อเราอย่าแข็งกระด้างอย่ายดื้สารภาพตอลราบรีบกลับรี บ, บ, รบหันกลับมาอัลลอฮ์รีบขอความ ป, ป็นทุรีบเตาบาดตัวรีบกลั บ, บเนือ้อกลับตัวรีบเนี่ยมันสามารถประดับประดาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นให้เป็นชีวิตที่รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เสมอ รู้คำสั่งอะไรบางอย่าง <c oughs> แเรารูเราบุกร้อะอย่าแข่งอย่าแข็ง <S <S เฮ้ยบางทําไมไม่ทําราผมผมผมบกร้องผม้ผมผมแย่ช่วยขอตัวไอ้ผมด้วยอยากก่าแข็มอกระด้างเฮ้ยบังทําไมทำแบเนี้อ่ะทำไมทา ไ, ไปไม่อะไรอ่ะมีปัญหาเหรอปวยกระบาลตรงไหนอ่ะเออใครมัดแตะจมูกนี่มไม่ได้เลยของขึ้นเลย ทำไมเรียกเลวังังก Allah, อลลัไม่ต้องมายุ่ตลวังยังกอลลัมไม่ต้องมาอยุ่ไม่ต้งไม่ต้องมายุ่กันม่ีไม่ต้องเตือนไม่ต้องอะไรกันรุ่งแย่สิครับจริงนะคนที่น้อมรับคำสั่งของหวลวงรชวาวสารภาพในข้อบกพร่องในความผิด มักจะเป็นคนที่มีโอกาสพัฒนาตัวเองเติบโตซึ่งอิมันความศรัทธาบรรยากไม่เหมือนคนแข็งกระดา้างก็นี่แหละคนนี่แหละก็แข็งกระด้างในวันเกียมะพอเราเรียกมาลัยก้าที่มาเป็นพยานเห็นเขานีกันอย่างนี้ไม่ยอมไม่ยอไม่ยมต้อง ม, ม, ม, มีพยานที่น่าเชื่อถือเล ร, ราะเราไม้ค่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ ผมจะถูกสุลอมไม่ได้นะอลัลลอฮ์สัญญาวา่าอัลลอฮ์จะไม่สุลโอมฉันนะเอาแล้วจะเอ า, านแบบไหนอ่ะต้องเป็นพยานที่มาจากตัวผมเองผมต้องสารภาพเองก่อนไม่สารภาพก็ยังไม่ใช่ <c oughs> เขาเองสารภาพก็จะให้อวัยวะทุกอวัยวะนี่สารภาพหนึ่งมือก็จะปุกปากก็จะปุกขาก็จะปุกเนี่ยคนนี้แข็งกระด้าง ช่นเดียวกันผู้ศรัทธาที่สารภานอบน้อมมีจิตใจนอบน้อมสงบสมนึกเช่นเดียวกันวันกียร์มาเนี่ยอัลล์ก็จะเรียกพวกเนี่ยผู้ศรัทธาพูดต่อหน้าอัลลอฮ์ตัวคนตอหานีไม่ไม่มีบุคคลที่สามแล้วอัลล์จะถามทำไหมความบินทำไหมวันนั้นน่ะทำไไอ้วกนั้นน่ะ ไอ้ปฏิเสธเขไม่ได้ทำไอ้ไม่เคยแต่แตแตผู้ชราเนี่ยทำไม่ได้ครับยี่งทำไม่ท ำ, ท ำ, ทำแต่นี่แหละผู้ศรัทธาไม่เคยกระด้างกับ a l l a อยู่ในโลกนี้เนี่ยใช้ชีวิตรู้รู้รว่ามี a า l a h จริงรู้ Allah เห็นจริงถึงแม้ว่าทําบาปถึงแม้ว่าทําความไม่ตดีอิมานก็ยังแน่นอยู่เนี่ยคนเนี้ยที่รอดไม่เป๋นแน่นอน หัวใจของเรานี่ยน์บาปนี่มันไม่อันตรายต่อหัวใจเท่ากับความแข็งกระด้างความตะก บ, บุกต่อ Allah ต่อความจริงไรแรงที่สุดไรแรงที่สุดแล้วอายะนี้จะเป็นอายะ ที่ท่านลุกหัวใจมุสลิมทุกคนที่จะต้องมีความสำนึกในคำสั่งใช้ของนสุภาเราเที่ยวเราใช้เรามุสลิมที่น้อมรับสิ่งที่ยวเร า, าประทานลงมานนะไม่เลือกปฏิมาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺใัลมาดฉันละมา ด, มาดไม่เคยขาดเลยฮัมดุลิลลาห์ตะกินดอกเบี้ยทันปี เรื่องเล็กในความโกรธการที่อัลลอฮ์สั่งให้เราไม่ช่วยกลับมาตลอดนี่แต่เป็นเจ้าพ่อดอกเบียนอกระบบอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮจีนทุกปีและอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ัลลอฮ์ฉันมีโอกาสไปทํามาไปทํำฮจีทุกปีถึงแม้ว่าไม่ครบโคต้าฉันก็ดิ้นรนพยายามที่จะทำฮจให้ได้แต่ใครอยาสิทิ ผู้ศรีเลือกปฏิมาเลือกปฏิมาแล้วศาสนาที่เราประทานลงมาให้แก่เราให้สร้างความสมบูรณ์แก่ผู้ศรัทธาที่ดํารงเนี่ยในความสมบูรณ์ของมุมนนี้ขึ้นอยู่กับอะไร ท, ที่เรานึกว่ามันทําได้ทำง่ายดีดดสําหรับทําแล้วแล้วหลอ่อทําแล้วหลอ่อทําแล้วดีทําแล้วสวยออันนั้นเราเลือกเอามาทํานี่แหละ บอกว่าคุณเยอะ ม, มากอะไ น, นโลกนี้หลงหลงเรื่องเนีย้ยเรื่องเยอะแยะเตี้ยรถสังนิไม่ทําทำไมทำไม่ได้ไยาก <c oughs> สังคมเขาไม่ยอมรับนี่ฉันทําแล้วหนูสังคมดูเอาสังคมปนาำเอาไม่ทำเราจะเอะอะไรที่สังคมไม่ไม่ปนน้ำที่มันเบาเบาน่อยอะไรที่มันไม่เดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อน เราไม่สมัยนวัตนาอย่าลืมนะครับสมัยนวัตนาคือเราเรายอมรัดในคําสั่งสอนของ Allah เราอย่มรัดที่จะต้องปฏิบัติทําให้ปฏิบัติละปฏิบัติในกิจกรรไม่ปฏิบัติละต้องสํำนึกต้องสํานึกในความบุกร้องไม่สช่ก็ะจุกศาสนาดังศาสนาเนี่มันก็ะจุกในเรื่องสองเรื่องห้าคน คนว่าจำนี่ยไอเรื่อนี้ทำไมทาไมไม่ทาล่ะเฮ้ยทาไมอย่างหัวมาดแล้วนะหัวดาวอะไรล่ะเอาเลยไม่ได้เป็นคนมาเก็บภาษีกับท่านนะนะไม่ได้เป็นตัวแทนจากอัลลอฮ์มาเก็บภาษีกับท่านนะไม่ใช่เอานาอัลซสนานี่มันมีหลายอย่างมันมีตรงนี้นี่ที่ต้องทำอยู่ตรงนี้แล้วมีอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ลเตชนะ กล่าวถึงสัญญาอัลลอฮิวะซาฟิกุมบรห์นักถึงสัญญาของพระองค์ที่ได้ทรงกระทาไว้แก่พวกเจ้าอามาทําสัญญาไว้กับพวกนเรื่องอะไรย้อนกลับไปยุคนบีนะการรับอิสลามนี่นะ การรับอิสลามประเด็นแรกที่มันขึ้นกับจินตนาการของคนที่จะเป็นรับอิสลามเนี่ยประเด็นแรกเลยรับอิสลามแล้วต้องสู้ทำไมอะเพราะตอนนั้นน่ะอิสลามอิสลามถูกเบียถูกค่มเหงใครรับอิสลามเนี่ยก็ต้องเจอึกแน่ใครคิดจะรับอิสลาม แบบสบายสบายนะรอิสลามนะก็มันปัจจุบันนี้อย่างที่น้องที่มาขอบอิสลามใหม่ก็จะมีคนมาแสดงความยินไม่ใช่เลยรักอิสลามการบีนี่นบีนบีก็ได้แตให้กำลังใจนะสามารถใ้กำลังใจว่าพ่อกลับบ้านนี้ต้องเจอศึกล้วเจอศึกกับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียกับสามีศึกกับสังคม กับเจ้าพี่น้องกับเผ่าซึ่งตะกอนนั่นเป็นระบบเผ่าก uh uh ็บีล่าน่เผ่ามูกหลางเผ่านี่ตะกูลนี่โอ้มีคนหนึ่งหลุดแล้วเป็นพวกมุฮัมมัดแล้วรู้่าเอามาเลิกลากมาเลิล่ามโซ่ขังม่บ้านทรมานไม่กินถุกทุกตีทุกซ้อมเพื่อให้ออกจากสุสาน คนอย่างบีแลนนีไม่รู้หรอกไม่มีพักูงมีคนช่วยเลยเป็นคนบุกเบิาการบิบิสลามรู้นก็รู้รู้ว่ารัอิสลามนะปะทำไมาอกอุมาญอ่ะอุมาญเนียไม่เอาแล้วแบบเป็นคนไม่เกียรนไม่เกียรติอิสลามเต็มที่แล้วเอาจะเอายังไงเป็นทาาลากเลยทรมานระกอิสลามคือต้องทําศึก ต้องต่อสู้แล้วข้อผูกพันกับอิสลามแบบนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยนบะีไม่ควรที่จะถูกบิดเบือนหรือเปลีป่ยนแปลงสภาพของมันหมายถึงว่าการรับอิสลามการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ควรที่จะให้คนเข้าใจว่าอ๋อรับอิสลามแล้วจะสบายไม่ใช่ไม่ใช่เลย ที่นบีทําสัญญากับชาวอังซอรก่อนที่จะเอาภยอกไปนบีบอกว่าฉันต้องการคนปกป้องฉันจนกระทั่งข้าพเจ้าสามารถประกาศชนาของเราชาวอังซอรมาย้ำกับนบีนั่นหมายรวมว่าเขาเข้าใจนะครับมันต้องไปตรงบ้าไม่ต้องอ้อมทำไมอ่ะเพราะแต่เฮนี่ยัดในอิสลามที่ถูกต้องอิสลามที่สมบูรณ์นะนั่นไม่มีใชอบหรอก ไม่มีก็ชอบี่จะมีต่าง ส, สนิกรละมีการที่มาแสดงความภูมิใจอสาเพราะพระอะไรเพราะอะไรบางอย่างที่เราไม่บอกเขาหรือเขาไม่รู้นี่เพรเขารู้เว่าอะไรที่มันดีสวยๆแต่รู้อิสลามทั้งหมนดนี่ไม่ชอบชอบโอ้นบี กับเราจะต้องเป็นศัตรูกับชาวอาหรับในคาบสมุทรอหรับทั้งหมดแล้วเราจะได้อะไรเรอะไรนาบีบอกว่าไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีสัญญาอะไรที่ว่าจะจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นรัฐบาลเป็นสอสอเป็นสวจะให้ตําแหน่งจะมีไรายได้หรือขายน้ํามันแล้วจะให้มีส่นวนหรือไม่มี ม่สัญญาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับโูกเกี่ยวกับวัตถุแต่มีบอสวรรค์ซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ยูกว้นต้องเป็นผู้ศรัทธาเสียก่อนมีสักผู้มีกำลังก็มาคุยกันแต่ถ้าไม่ได้ให้สวรานมันมีเป่าสวรคนเนี่ยเอาใหม่คุยใหม่คุยใหม่เอาใหม่ ต้องาหใหม่รับนัดหนึ่งกยังสงสัยว่าเป็นสวรรค์นั้นมันมีหรือเปล่ า, ายาวจอดก่อนไม่ต้องมาคุยงานศาสนาก็เช่นเดียวกันงานศาสนาจีฮัดและวได้สวรรค์ถ้าคนยังสงสัยสวรรค์น่ะเขาจะออกจีฮาดจะได้ปวดความกล้าหาอย่ังเดียวเลยมีพวกมุนาฟิกเกี่ยวกันนบีในแบบเนี้ย ออมาสู้สู้สู้สู้นรกจะมาอ้วกเขาไม่ดีต่อสู้เพื่อ a า l a h ต่อสู้เพื่อสวันนี้นะเขาต้องเชื่อมีสวรรค์เชื่อมีอำนาจเชื่อวมีสวรรค์เชื่อวมีการตอบแทนเชื่อมีวันปรานุ่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องคุยมาต่อสู้ในหนทางนั้นทุกสมัยเลยนะครับจะต้องมีตัวนี้มาไม่เชื่อมันคุยยากยาก คนบางคนชอบทำ ง, งานศาสนาแบบสบายๆใช่ไม่ใช่คนบางคนแท่ทุกคนป่ะป่ะลุกขึ้นป่ะไปที่ไที่ซีเรียป่ะป่ะไปดิป่ะไปมหมพูดจริงนะ เลิกตัะสินปาไป jihad กันไปมั้ย้อนตัวเองไม่ไปของคนแรกเลยไม่ไปทำไมอะแล้ววีซ้าล่ะจะไปไง น, นั่งเรือหรือไปมีคนมีคนไปแล้วมีนักรองชาวฝรั่งเศส นัรียนชาวฝรัง่งเศสรับอิสลามไม่ไมเอี่มเลยนะครับรับอิสลามแล้วนี่ไปซีเรียอะไรนี่ได้ข่าวว่าเนี่ยอ่าโดนยิงไ ม, ไม่ไม่ทราบบาดการหรือเปล่าโดนยิไปเลยต้อ ม, มีตัว อ, อย่างรู้ส า, ากนันเลพ่อไปเลยแต่คนส่วนมากนี่มันจะมีอุปสรรคเยอะแยะเจ้าเนี่ ย, ยงานงานศาสนานี่มันเป็นตัวพิสูจน์เนี่ย แล้วพวกเราเนี่ก็ต้องก็ต้องน้อมรับต้องน้อมรับต้องยอมรับคำสั่งสอนบางอย่างที่เราทำไม่ไหวมันใจไม่ถึงอนะเอาไม่ถึงจุดนี้เียก็เอามาจุดถัดไปทำไมไม่ทำไม่สู้ไม่สู้ไม่สมัครใจนี่ก็จอดไม่มีนะครับ แค่เรื่องละมาสรศาสนาก็ไม่ไดีบังคับวะต้องละมาตไม่ละมาตรนู้ดบีบคอให้ละมาตรไม่ละมากก็ช่วยไม่ได้บังคับไม่มีมูลเร่นงศาสนานี้ไม่ไดีบังคับหรอกแต่จะทำยังไงกับมุสลิมมุสลิมที่เชื่อในอัลลอ์ทั้งทีเชื่อในสวรรค์ในการตอบแทนทั้งทีเชื่อในวันพารโลกทั้งทีเชื่อแล้ว เชื่อแล้วแต่การเสียสละการมีจิตจำนึกที่จะต่อสู้ว่าอิสลามนัมนประไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนี่คือปัญหาที่ร้แรงของโลกมุสลิมโลกมุสลิมที่กลังต้แย้งสภาพที่อัปยศที่สุดพรเห็นมุสลิมมีน้องมุสลิมทุกาที่ซีเรียนะ ประเทศที่การติร้อนกันลังดิ้นรดนกันจะได้ปกป้องจะได้ลงโทษนรัฐบาลที่เรนไม่ใช่ประเทศมุสลิมไม่ใช่เป็นประเทศที่เคยห้ามคุมยาคุมนิกอบฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เคยมีส่วนร่วมในการออกหนังลุกลูยในบีในการเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมที่อัฟกานิสถานอิรักนี่แหละส่งประเทศฝรั่งเศสแก กาเมริกากําลังบิ้นรนที่จะลงทุนรัฐบาลซีเรียบัชระยาซัลลมุสลิมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยจะเอะซาอุดีมาอะประเทศหนึ่งบํำรงมัสซิ่ฮารอมสัางนู่นสั่งนี้พิมพ์กุรรูอะไรสารพัดที่มันเป็นภาพลวงเนี่ยวันนี้เป็นรัฐบาลที่สนับสนุนอิสลาม ช่วยอะไรได้บ้างช่วยช่วย Song om, ช่วยส wow. ่งความช่วยเหลือให้วกฒิมุ่งใจดีให้พิน้องทีเรียช่วยช่วยเท่าไหร่เขาไม่เปิดเผยนะทําไมอ่ะไม่ชัวกลัวนะไม่ชัวร์ก็อาอายอายครับอาหรับหลายคนเนี่ยเวลาเขาบริจากนี่นะเขาไม่กล้าพูดเนี่ยไม่ใชัว่าเพราะว่าระอัน่ะไหมอายเนี่ยบางคนนี่มาปฏิเสใจเนี่ย มาตังครอบครัวตัวขึ้นบินโรงแรมกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นล้านแต่พอมาสร้างมสัสยิดเนี่ยสร้างมสัมะมะสยิดมีไมมัสยิดห้าแสนมีไหมที่จะเที่ยวนี่จะเป็นล้านที่จะมาทําบุญนี่ตอรองอันนีออนนยอ้ายครับส่งไปเท่าไหรอ่อีซีเรียส่งไปเท่าไหร่ ไม่ถึงหนึ่งพันล้านเรียนเลยยังไม่ถึ ง, 1, อ ง, ไ, ถงไอ้พอเขาสร้างมหาวิทยาลัยเดียวนะครับที่ประเทศยมหาเรื่องอะอับดุลลอห์ทิงอับดุลลอห์นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ปนหญิงชายวันแรกนะครับที่เปิดมหาวิทยาลัยเนี่ยห้องอาหารห้องรับประทานอาหารเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายขึ้นบนโต๊ะนี่เต้นกันไม่คิดว่ประมาณของมหาวิทยาลัยเนี่ย มื่นล้านเรียกหมื่นล้านเรียกคูณคูณแปดไปเลยเท่าไรนะหร่นะก็แปดมืนแปดมื่นล้านบาทวุฒิให้เพงเดียวอ้สิครับทำอะไรด้วยอิสลาม เร า, าเช่เดียวกันะเทียบเราต้องมาทบทวนใช้จ่ายเท่าไหร่เงินที่เราใช้จ่ายาอิสลามเพื่อตัวเองเท่าไหร่เวลาที่เราให้อิสลามเนี่ยให้ให้สังคมมให้ใอ้อีกเท่าไหร่แล้วเวลาที่เราใช้กับตัวเองเราสมวนเท่าไหร่ <c oughs> วตักุลลอฮฺอินทร์อัลลอฮฺ علي มุบิดาดัลสุดูรละกุูราวใจดีละกุมยัมเรมอบลมาเถอดแค่ที่ลลอฮ์นั้นทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในสมุดอยู่ที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านคือกล่าวเสียงน้หวาดต้อนากล่าวว่าเราเคยฟังแล้วเราได้ยินแล้วอัลลอฮฺก็ยกย่องแล้วนะแต่อ่าลว่ามันมี ขั้นต่อไปแล้วเรารู้ว่าหัวใจเรานี่มีความจริง ใ, ใจกองมตามเลย่นจ้าบ่มากมาย่หนเป็นจุดสังเกตในอ้นี่ว่าเรื่องคำสั่งสอนของอลอสุภานังวดที่จะให้ดำรงปฏิบัตินั้นอันลลอฮ์เรียกว่ามีซากฮุลเลดีวาสุกะกุม สัญญาของอัลลอ์ที่ทำไว้กับพวกท่านแล้วไปดูในเชื่อประณิของนบีสุลแลลสัลลัมสัญญาเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วเป็นสัญญาที่ทำกับหมู่ชนทำกับกลุ่มกับจัมระมันไม่ใช่สัญญาส่วนตัวระวังเราหมายถึงว่าคำกระทำของอัลลอฮ์ สองแห่งสองฝั่งและจบไม่ใช่สัญญานี้เนี่ยมันมีส่วนร่วมมีความเป็นจามารมีความเป็นกลุม่มมีความเป็นสมาชิกในกลุม่มที่จะที่จะต้องเชื่อฟังในสัตยาบัญญัติปฏิบดดัติตามสัตยาบัญญัติเบนอนนบีนบีก็ไม่ต้องไม่ต้องรับสัตยบัญญัตางสาบะเขาใครจะอิสลามก็อิสลามไปเลย ต้องมีสญญมนีย์มยัน่นศนีย์มันนี่มาให้สแตบันแกท่านนบีสุลต่าละวะอเลวุสัลลัมแล้วจะมีกติกามรีระเบยียบในการควบคุมพฤติกรรมนี้ให้อยู่ในกรอบเพื่อเยียยในความเป็นมุสลิมระดัอิสลามแล้วมีเงื่อนไขสมัยนั้นไหมเนีญญ่ยมีเงื่อนไขอ่าละมาละมาที่มัสยิดให้นบีเห็นตัวเรียนรู้ไปต่อสู้ดินดนเยียดแกท่านนบี มันนี่มันมีภารกิจมันไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวเก็บไว้มาปฏิบัติกับส่วนตัวแล้วเรื่องมันจะสิ้นมันจะหมดเพราะฉะนั้นขณะที่สุลลัลละวะอัลลอฮุซุลแลมไบอาในอลีบัดุฟรมันแมจะวะไลสกีอุมกีใบะมาจะมีแต่ตะนีย์ใครก็ตาม ที่เสียชีวิตโดยไม่มีใบอ า, าไม่มีเอตยบาบันไว้กับผู้นำการเสียชีวิตของเขาจะเป็นการเสียชีวิตเหมือนพวกเจ้า伊利亚、รุน、รุน、ยูเครซสัส น, น, าานึ่่นมายควาว่าอะไนุญาต่มาด้ยว่ต้องมีครอบผูันมีความรับผิดชอบไม่ใชชีวิตอย่างนั้นในะยุโรปาระอย่างไม่มีเป้าหมายอยู่อย่างนั้นนะ สะดวกเมื่อไราก็ไปทำงานศาสนาะมีเวลาว่างก็ไปช่วยเขาหน่อยใช่แต่นี้แหลเจ๊งดิครับเจ๊งสิครับภารกิจที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องทำต่อเมื่อเป็นมุสลิมก็ต้องปก ป, ป้องศาสนาะต้องต่อสูสนะ้เพื่อศาสนามีอุปสรรคเท่าไราที่จะขัดขวางศาสนาของเรา เราจะต้องดิ้นรนเสียสละต่อสู้ขจัดอุปสรรคนั้นเท่าที่มีเท่าที่มีอุปสรรคอยู่ในชุมชนไม่มีมัติดเราตรงดิ้นรนสร้างเมติตสสถ้ามีใครคิดเอฉันเดี๋ยวฉันสร้างเองสรางงไงตอกเสาเข็มคนเดียวอ่ะ จะก่อจะก่อสร้างด้วคนเดียวไม่ได้เอาอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันสร้างหรือเอาอย่างนั้นจ้างผู้รับเหมามาจ้างผู้รับเหม า, า, า, า, จ, า, า, ยายจ้างม่สิ่ม่สิดงรึจุกคนในชุมชนเนี่ย้าร้อคนหุ้ไม่สิ่อยหญ่นั่นโฉงาร้อยคนจ้างผู้รับเหมาจ้างเราต้องทําสัญญาไหมเนี่ยทําสิครับ ต้องทำไม่งั้นถ้าไม่ทำสัญญากับผู้รัเบเหมานี่200ปีก็ยังไม่สร้างยังไม่เลี้ยงเสร็จทำสัญญา1ปีเสร็จแล้วใช้งบประมาณเท่านี้มีคนตรวจสอบมีผู้รับเหมาต้องมีสัญญาเอาไม่เอาผู้รัเบเหมาเราจะช่วยสร้างกันเองได้พวกเราก็จะต้องมีคนที่ออกแบบนะต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องเรื่องผสมปูนทรายนะคนที่นี่ ไม่มีก็ต้องศึกษาอาจจะพอมีแล้วนี่มาละมาละในชุมช น, น, นเนี่ยคนนี้เสียสละบ <c oughs> มาช่วยสร้างมาสิร้อยคนคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับก่อสร้างมีมิวสิบคนเก้าสิคนไม่มีความรู้เก้าสิคนเนี่ยเป็นหมอเป็นอ่าเป็นอาจารย์เป็นครูศาสนาเป็นอ่ไม่มีคมรู้ด้านก่อสร้างมียกตัวอย่างให้เห็นนะว่าผู้นำนี่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นตัวครูอ่ะ ที่จะมา ส, สร้างมัสยิดแล้วนี่ต้องรู้ว่าฉันเป็นผู้นําไม่ได้ต้องเชื่อบังฉันฉันเป็นอิหมัดเจนเลยพอ ม, า ป, ม, า, นะปมาประสมปูนกับทรายนะผสมเลยก้าวกระสอบทรายกระสอบปูนกระสอบทําไมอ่ะไปอ่ะจีกันมันเลยไปอ่ะตัวค ร, รูก็มีความรู้แกน่นี้ไม่ได้กับเก้าสิบคนที่มีลกเตอร์มีตัวครูมีอะไร โปรเตสมีความรู้แค่ไหนแต่ไม่มีความรูเ้รกเก่กัก่อสร้างนะนะต้องมาเชื่อฟังสิบคนที่มีความรู้ก่อสร้างใช่ไม่ใช่จำเป็นและสิบคนที้มีความรู้ก่อสร้างนี่เขาต้องมานั่งคุยกนะันว่าใครเป็นเฮดใครเป็นผู้นำมาคุยกันแล้วมาสิจัดเร็จเสร็จสิลไม่อย่งงางนั้นก็ไม่มีวันเสรนี่ตัวอย่างง่ายๆโครงการนี ในลูกของเราหะไยโครงการะทำยังไงเนี่ยให้โครงการต่างๆในสมริชน์ขีลาบานมันล้มไปแล้วอาณาจักอิสลามรัฐบาลมุฮัติสลานมันล้มไปแล้วคุณเดียวที่สามารถฟื้นผู้ขีลาวาจิตต้องฟื้นตู้ขีลาวานวาจิบครับโลกมุสลิมขณะนี้เนี่ยกําลังบาปอยู่กําลังรับบาปอยู่ดาที่เราไม่มีผู้ปกครอง มุสลิมไม่มีขลิฟะไม่มีระบบของคิลาแบบระบบมุสลิมอย่างแบบย้อนเว้นดีกว่คนนี้กลังดิ้นรนในการที่จะฟื้นฟูอาจจะฟื้นฟูยังไงดูสิเรคนนี้มาฟื้นฟูกีฬาแบบเป็นด้นะกิฬาแบบนี่คือรูปะกีฬิลาบนี้จะดิ้นตูวนะามุสลิมนะมี่คือมุฮัมมัดมุรสีเขานระบบอิสลามในประเทศเดียวนะดูสิดูสิ จะทำอะไรกันละเขาไม่ยอมบุปผาขนาดนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรต้องรวมตัวขนาดไหนต้องรวมตัวกันขนาดไหนเนี่ยภารกิจพรมมันิลเห็นความยิ่งใหญ่ของโครงการน่ะนะเราต้องเราต้องมีความพร้อมที่จะเตรียมปัจจัยปัจจัยนี้ที่สามารถสร้างโครงการเหล่านี้ได้ไม่ใช่ ฉะนั้นก็เปเรื่องตลกนะครับเนเรื่องตลกที่เราคิดว่าเราได้จะพูดอ้าเอาขิลามาเอาเอาเอาดิี้ล้ามาำแบบนี่เร็วเร็วเไม่คือทำนี้ก็ได้อาอะไรนี่ก็ได้แต่่ามาถึงสนามแบ่งการปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านทำอะไรบ้างหนึ่งสองสานี่บอกมาสิ เพืพ่อฟื้นฟูคีลาฟาฟื้นฟูระบอบอิสลามดิฉัเล่นสองสามดิันมีวิจัยทัดไหมใครอ่านสกักุบมาใครอ่านสกักุบเลยไหมเรื่อยไม่เร่อย ผมอ่านไม่หมดแต่น่าจะอ่านบ้างนะคืณส่วนว่าอ่านบทนี้มันมันมันเออแล้วคุยยังไงต่อไปนี้ไม่ได้อ่านคำพวกนี้อ่านกี่คนนะกี่คนอารามก็ขยุกมือหน่อยหนึ่งสองสามไม่ที่ดูหนังสามก็เลยอาเน่าอาไม่ท่ดูหนัง ที่ใครสามคนไปยิงเงืนไข น, นั้นสามกุ๊นั่นแหะแต่ที่ยกตัวอย่างสามกุ๊กนี่มันเป็นเป็นหนังสือเป็นเป็นประวัติของแม่ทัพของผู้นําที่ผ่านศึกแล้วก็มีความฉลาดในการหาทางชัะสงครามหลายคนเขาวิเคราะห์สามกุ๊กนี่ความฉลาดความฉลาดของแม่ทัพนี่มันอยู่ตรงไหน ความเฉลีความเฉลี่ยไม่ได้มีมันอยู่ที่จุดเดียวหาปัรดมินินให้มากที่สุดลดศัตรูให้น้อยที่สุดยุคสามก๊กนี่มันมันหลายอาณาจักรไงนะแต่ละอาณาจักรนี้ก็อยากจะยึดครองดินแดนของเขาแล้วก็มีอุดมีมีเั็นหลายกุ๊กไง และแต่ละกรณีก็มีมีคนไี่เอาด้วยไม่เอาด้วยมีทำํำยังไงเราไปสู้ที่หนึ่งอ่ะปุ๊บศัตรูตรงนี้ก็เยอะแล้วปันญามิตรตรงนี้ทํายังไงหาปันญามิตรใหญมากที่สุดแล้วก็ลดศัตรูใหญ่มาที่สุ ด, ะดสนดะแต่นั้นอ่นาอยู่ในชุมชนเนี่ยมาละพวกค้ายาพวกอ่าพวกพวกไรแดงที่จะมาทําลายสังคมอย่างเงี้ย มาละมากันเป็นเป็นกลุ่มเลยนะเขาจะมามาจัดการชุมชนของเราในชุมชนของเรานี่ยนะก็ตัดสินจจแล้วว่าเราต้องไปสู้กับมันสู้ยังไงไอหมอนี่มันเคยมองหน้ากูกูมองหน้ามันก็เลยเคยทะเลาะกันเค ย, เค ย, กเคยชกกันแล้วกูไม่เอาคนนี้ผมไม่สู้กับคนนี้ ก็เป็นพีน้องผู้สิ้นระแแต่เคยทะละบาแ้งกันนะไอ้มอเนี่ยไอ้มอหนี่งเคยไปยืมยืมมันหบาบาทไม่ให้แล้เ่เอาวะคนรุกนแบบเนี่ยไปสู้กับมันหรอไอ้คนนี้ันชุมชนนี้กันนี่นะการเป็นศัตรูหมดเลยศัตรูยูน่แล้วก็จะไปสู้ศัตรูมาเป็ไงเห็นไหมตอเรามีอุดมการแต่ในภาคสนามนีม่นะ ไม่มีความฉลาดเลยและเราและเราเอาอุดมการบางส่วนมาใช้บางส่วน <c oughs> ฟัง่งคนที่ถูกอ้างว่าเป็นโตคูงประทุวงอย่เป็นแนวของยิวประท้วงเลียประทวง ทำอะไรอ่ะเข้าบ้านล็กประตูเขพี่น้องมุสลิมทั่วโลกอย่าไปประท้วงผู้นากุรอห์ธรรมเนี่ยอย่าไปประท้วงทำไมอ่ะมันเป็นผิดนะเป็นความเป็นการสร้างความวุ่นวายทําอะไรอ่ะล็อกประตูเข้าบ้านล็อกประตูเลยเขบอกอ้างว่านี้คือสุนันดาบีเขาใช้เลยนะครับ ตนนั้นนบีได้บอกเห็นมุสลิมข้ามุสลิมกันด้วยมุสลิมข้ามุสลิมทำไมข้ามมุสลิมไม่รู้ที่อยากจะข้ามันเนี่ยเนี่ยที่รีกว่าฟิตรนั้นที่นบีบอกว่าเข้าบ้านเป็นประตูอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับฟิตร์นั้นแต่นี่มันไม่ใช่มีข้ามุสลิมข้าว่าอะไรเพราะมันเอาศาสนาไอแบบนี้สมัยนบีนี่เขาออดกันมาปกป้องศาสนากันแล้ว มันไม่ได้เข้าเข้าบ้านล็อกประตูคนละเรื่องเลยไม่ได้ไม่ได้บอกคนถล่มโฆษนาที่เข้าบ้านเปิดประตูนี่นีใครอ่ะนี่ยิ้วอ่ะที่พูดอย่างเนี้ยยิวอย่ามาปกป้องโฆษนะเข้าบ้านล็อกประตูอย่าประตูเอาแล้วจะให้ทำอะไรไม่มีคำตอบสิครับมันง่ายมากนะครับง่ายมาก <c oughs> ง่ายง่ายที่จะตำนะหนิปัญหาระดับสังคมมานะ่ะเจ็บตำหนิให้พวกโซเวี้เนี่ยเลวคตดเลวนรกกินเดี้ยวไม่ต้องถามแลวไม่ต้องสงสัยเลยพวกนี้เนี่ยเพิงนรกง่ายขึ้นมาเป็นผู้นำสิครับ เหนียะนั่งดูดมะรากูหน้าบ้านแล้วต้องอเนีเ้ยขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เอาเสนอที่จะแก้ไงเป็นคาริบบูร์เลอร์เป็นตัวแทนของตัวอันน่ของอัลลอฮ์บนแผ่นดินใช่ไหมนี่ะจัดการเชิญจัดการแค่ไอเดียนี่ครปวดไปแล้วแค่เสนอจะคิดเสนอนี่ครัปวดเพราะฉะนั้นมองสิกภาพ ปฏิบัติงานปฏิบัตนินี่มันคนละเรื่องนะแล้วเราแล่วเราอย่าหลงอย่าห ล, ลงตามคนนิบคือแสดงความคลื่งคลัตในหลักการเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ได้สแสดงว่าเออหลักการมันคือหลักการพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่พูดและปฏิบัตินบีในหลักการที่หลักการเนี่ยทั้งพูดและปฏิบัติเพรนบีก่อตั้งอาณาจักรก่อตั้งสังคมเป็นรูปธรรมให้เห็น แต่นี่ต๊ะครูสามารถพูดด้นี่หารามันนี่ฮารามันมีบุฟรนีชิริกแต่ทำอะไรบ้างอะเพือขัดจักเรื่องนี้พูดอย่างเดียวหรอกขั้นตอนต่างๆมันมีอะไรบ้างอะมันต้องมีต้องมีวิสัยอะอาไม่มีสโวดูไม่มีไม่มีฉันไม่มีฉันด้วยว่ไอ้นี่ชิริทไอ้นี่ปากไอ้นี่รู้แค่นี้ทำได้แค่นี้มีคนอื่นทำมมีคนอื่นกำลังทำนะไม่ไม้ทา คนอื่นที่กมก็ขอทำมะขอจัดการมาไ ม, มไม่ได้ทำมึงจะไม่ด้บ้างอะร้อยย่อยทำได้งไงอะแบบเนี้ยมันต้องทำแบบนแบบีเแบบ๊ะเบ๊ะเอาไม่ึิงว่าเอาไปปฏิวัไม่ได้ทำยังไงอะ้า h a d i ก็คื <c oughs> อิ i า a d i ทำไป j i h a d ถ้า <c oughs> มีคนที่เลื่อมใสใน j i h าดมาก มามมบุญบกวช็เช็คมีเส้นไหมอยากทประจิหัที่อัมการสาิสาชาเดียมการิก็าได้ได้มีปืนปะ่ะไม่มีอ้ามีตัวมีมปะ่ะไม่มีล้วจะให้ผมจ่าย ไปที่ดูการจัดการให้ไม่มีนะจ๊ไม่มีไม่มีแต่เวลาถึงภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยไอที่พูดไอความเครื่องคัดไอความจุดยอดไอความแจ๋วๆนี่นะมันกลายเป็นควันไม่มีไม่มีไม่มีเลยโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนั่นมัใช่คเวลาที่ต่อสู้จริงๆเวลาที่จะทําอะไรจริงๆเพือิสลามนะ ทำอะไรมันเป็นรูปธรรมเกิดมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันยากมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายสามก๊กนี่แม่ทัพแต่ละคนนี่นั่นน่ะพยายามเนี่ยไปลบบีแม่ทัพคนนี้ลบบีคนนี้ลบไอ้คนนั้นมีปัญหากันไม่เป็นไรส่งคนนี้นั่นอ่าแล้นี่พอสุดท้ายใครที่เคยเป็นศัตรูนี่เขาก็ยอมเออฉันเองไม่ฉันไม่เกี่ยวหยิบนุน كون ميسدرو ميت ميت م ا شان ما موت ن ا بصوم وما زالن ثانية نيمك ثم قاعدين نبيهم سلحن خدمية صنيع صنيع فوليش نبيه نحمل الله لا ي لا يدعوني إلى إ ل ح أحقن بي دماء إلا فعلت حقيقة ريح هم صنيع صنيع فجدين و ت كان ك تسوية ب ر ه م د م ا ي ا ทำไมอ่ะไม่ต้องเจียระช่วงนี้ไม่ต้องเจียระชเขาไม่รับตอบยังสงสัยนบีเราย้าอนเขาได้ไงอ่ะแต่นบีมองกว้างกว่านั้นอ่ะเขาก็เจียระอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปดาวา่าไปแพทย์ทั่วข้าบสมุทรอะพอถึงภาคสนามจริงๆเนี่ยถามว่าท่านนบีทิ้งเจียระ แต่หันมาดาว่าทั่วข้าวซารุดาระบและยังเสียสละด้วยกลุ่มหนึ่งมาขอรับอิสลามแล้วขอให้มีโต๊คููไปสอนนบีส่งไปโต๊ะครูหักะทิฟฝาบา้างกะทิฟเจ็ดสิบคนอันคุ้รอส่งไปถูกเชือ่อดกถูกฆ่าหมดนี่ม่ยามสันติภาพนะในยามที่ไม่ได้ทำสงครามนละยนบีก็ยังเสียสละสถาบัยิงยิงมีตายด้วย พอการด่าว่านี่ไม่ใช่ด่าว่าแล้วไม่ต้องตายนะอ๋อเอาด่าวา่าแบบไม่ตายเอาด่าวา่าแบบไม่แบบสบายๆมันได้หรือด่าว่าแบบไม่มีใหมเงี้ยคือยุ่งเลย <laughs> การเสียสละของของมุมสลิมตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีใครครับที่จะมา ที่นำไม่ท่านหรอกคือท่านต้องทำแบบนี้จะได้ไหถ้ามันไม่เกิดจากความสำนึกขึ้นต่ออิสลา ม, มานะมันคุยยากคุยยากคนที่จะอาสาสมัครเป็นคนที่รับใช้อัลลอฮรับใชอ้อิสลามเสียสละเพื่ออัลลอฮเพื่ออิสลามนี่มันต้เกิดข้างใเก็สุดท้ายแล้วก็บอกสรรเสริญคนที่ สละชีสละชีวิตเนี่ยเนื่องจากอะไรนีนมุมีนี่นจากผู้ศรัทธาบางส่วนริยาลุนบุรุษหลายคนซาดากูมาอาห์ดุลลอห์นีเขาสั์เจเขาจริงใจในสัญญาที่ทาไว้กับอัลลอฮ์นี่นี่ศักด์เจแต่ไมลุมมันก็บรรหาบบส่วนหนึ่งในบรรลุแกอัจจัลแล้วเยซูอิล ว่ามิ้นหุไม่ยันตาเย็บและอีกส่วนหนึ่ง <puis> ยังอะไระยังรออยู่อัลลอบอกไว่ามิมีมีอยู่สองทั้งสองขนีนะสัจย์มีความสัจย์ในสัญญากับอัลลอกลุมหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาชฉหีไปแล้วเลกลุ่มหนึ่งละรออยู่มีไหมกลุ่มที่สามอ่ะ แม่นว่าผู้สแทั้งหมดเนี่ยต้องพร้อมทุกคนต้องพร้อมสละชีพสละชีวิตทุกสิ่งทุอย่างเพื่อพระมีกลุ่มนเอาไว้ฉันก่อนเอาไว้เอาไว้เอาอย่างอื่นต้องพร้อมเลยนะพร้อม ต, ต้อ ง, อ ง, นะองสุดเลยเวลาเมื่อไหร่ถึงเวลาที่พร้อมที่จะสละชีวิตพลดหนุสทีม่มีการรู้จะ ต, ต้องพร้อม คนเหล่านี้แหละที่เป็นพระสุภาโนวดาละทรงรู้อะไรที่อยู่ในทรงปกครองเขาอยู่ในจิตใจของเขาและคนเหล่านี้ที่อัลลอฮฺจะให้เขามีผลบุญของ ش ه ีดถึงแม้ว่าเขาเสชีวิตบนเตียงสระตากข้าวหรือจะมีรลิ้เสียชีวิตบนที่นอนด้วยแต่ได้ผ่านศึกผ่านรบเกือบร้อยครั้งทุกส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาเนี่ยมีแผล อยากดูเหลือเกินร่างกันทุกส่วนได้มีแผลมีแผลมีร่องรอยของของการต่อสู้ของเราก็เป็นบทเรียนจากอาญานะครับโบสถานาของเราคําสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์นี่แค่เรียนรู้คําสั่งสอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานของเ ความโปรดปรานที่ถัดมาเนี่ก็คือที่จม า, าให้เรามีจิตใจที่จะน้อมรับและเอาไปปฏิบัติและเราอย่ามีส่วนร่วมโดยเด็ดขาดกับคนหรือฝ่ายหรือกลุ่มที่ขัดขวางการเสียสละการริมดนในของเรา วันหนึ่งวันใดอย่ามาเป็นฝ่ายของคนที่ข่มเหงมุสลิมดูถูกมุสลิมขัดขวาง ม, มุสลิมขัดขวางอิสลามโดยเด็ดขาดมันช้ำเหรือเกินชํำะกำลังสู้รบกันอเนี้ยรุอยิวและคนที่ยืนก็นยิวเนี่ยใครอะคนพวกซาะาบังอย่างเงี้ย รู้สึกยังไงโอคนที่พวกสระบัดและกำลังยินราเนี่ยรู้สึนยังไระกำลังต่สูเรากําลังเรากลังปะท้วงยิวกําลังปะท้วงศัตรูอิสลามนะเพื่อขจัดความเลวร้ายของศัตรูอิสลามก็มีกลมหนึ่งแทนที่ช่วยนะไม่ช่วยไม่เป็นไรไม่ช่วยก็ไม่เป็นไร ยืน่อว่าฝั่งของมุสลิมบอว่าฝั่งมุสลิมซีซีนี่ที่ปราบปรามผู้ประท้วยผู้บัญชาบัญชาสูงสุดของทหารอยู่ออกมาเขียนบทความบอกว่าซีซีนี่เป็น เป็นผู้นำสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุยิตเพราะทำให้ตีไปอิบเนียค้นจัดพยันต์แต่ละที่ร้ายแรงที่สุดคือกลุ่มปราดอนกลุ่มีิควันอุสติมิดิสตุว์วิสตรูที่สุภาสิอารับบอกั่าักมาเชิดะบีนเอาล้วสัจะทำนีนะคือวิสตรูสารภาพเราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะกั คนอย่างคนอย่างมุฮัมมัดมุสีกูมยอย่างอิหวานในปัจจุบันนี้นะ่ะใครจะเกลียมากที่สุดยิวอิรานิวอิรานเนี้ยแล้วเราจะคิดว่าคนพวกนี้เนะี่ยจะเป็นศัตรูอิสลามได้ไงอ่ะแต่ถ้ามีคนบาวคนนี่ยิวมันยิวมันบางคนอิานศัตรูชาติอิรานมันก็เกลียชังที่สุดเลยกูไม่ควานี้ แต่ก็ยังมีคนมามากเนี่ยกลุมอความนี่นี่คือศัตรูแท้ทๆของอิสลามเลยปะท้วงอย่าไปปะท้วงที่เราเสียใจยนะเสียใจยที่มีต้องดิ้เนี่ยเสีชีวิตแต่ใครพาเขาไปตายคำพูดเนี่ยอันเดียวเลยนะของมววุฮามหมัด พระบิดาอกวคือท่านอาลีบนะบีต า, าลีบขัดย้งกับท่านมาูฮัรรียาเกี่ยวกับบุคคลที่ฆ่าอุสมานจะต้องลงทูษหรือเปล่ามาูฮัรรียาบอกว่าต้องลงทูษต้องรีบลงโูษอาลีบอกว่าต้องรอก่อนเพราะมันมันมันวุ่นวายถ้าไปลงโทษเ ด, ดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่แล้วจะควบคุมไม่ได้เอาว่าให้อณาจักรเนี้ยเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเอาฆาตกรนี่มาลงทูษเพอาะเรายังไม่ยอม สองคนสองฝ่ายเนี่ยล้วนแล้วต้องการ Sharia เนี่ยต้องการ Sharia เนี่ยไอเหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มีฝ่ายเอา Sharia มาดิไม่เอา Sharia แล้วแต่มาดูของซาบานี阿里ต้องการ Sharia มาวยะก็ต้องการ Sharia แต่ข้อนี้เป็นเรื่องลำดับพอรูปรบกันแล้วใครอยู่ข้าง阿里จะม่ไปอยู่ซาบานีสองคนสำคัญอาม่าอิบนียส ع าม่าเนี้ยท ي ่ไปสู้รบมีแล้เสียชีวิตอยู่ฝ่ายทนายอยู่ฝ่ายท่านนั้นเขเสียชีวิตแล้วนี่ ع ำอะไรนี่ละแล้วไรทันนับถึงฮะเี้นบีอีอะอาม่ตักตุลุกัลฟิตุลบาอูอาม่าขืน บุคคลที่จะฆ่าท่านเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นผู้กระทำกลุ่มที่เป็นรอลิมหลายคนก็เคว้เลยที่อยู่กลุ่มของมว่าเยนเคว้เลยนี่ขดิชชัดเจนเลยอยู่่าอิีและถุกฆ่าเราฆ่าอัมารก็แสดงว่ากลุ่มนี้ละกลุ่มรอนิมกลุ่มนี้ละผิดและความเชื่อประซุษนวลจามร้า ภาษาว่าทุกฝ่ายนี้เขาไม่ได้ใช่แต่ความจริงและจริธรรมอยู่ที่อา阿里阿里ทูกและก็มอฮเยบิดนี่การคิเอาช่วยจะมาเกี่ยวกับปัญหานี่เอาทีคนมาถามมอาเยบิดแล้วอมร์เดลลาสบอกว่าเนี่ยนบีบอกบอกว่าอามร์ที่จะข้าอามร์นี่ก็คือกลุ่มผู้อาธรรมเอฮเยบิดบอกว่าก็จจะลูมันตร ที่ฆ่าเขาเนี่ยก็คือคนที่พาเขาออกมาสู้ออกมารบ น, นี่ขนาที่ทั้งสองฝ่าเนี่ยสู้กันเพื่อปกป้องชญาณนะแต่นี่มันชัดเจนเลยนี่เขาออกมปปะท้วงเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเรืรอร่องชญาณแล้วบ่เสียชีวิตแล้วเขามาอกว่าเสียใจที่เสียชีวิตแต่ใครฆ่าพ ข, า, ขาละ่ะไม่ไดทหารนะไม่ได้ประนมทหารนะ มันก็ใครฆ่าคขาล่ะใครที่พาเขาไปตายเออครับใครพาเขาไปตายประกาศเดียวเลยนะครับที่จะประดับประดาความผิดของคนหนึ่งคนใดให้ดูว่าเขาเนี่ยไม่ผิดเขายังไม่ผิดแล้วแต่หาไม่ผิดที่ฆ่าประชาชนแล้วใครผิดล่ะที่เขาพาออกประตูไงนั่ะผิด และนั่นนหะที่จะต้องมาเตือนประชาชนว่าเชื่อฟังพวกนี้ไม่ใช่เตือนว่าทหารนี้เขาไม่ต้องการเชริยาห์กำลังทําลายอิสลามรนรงที่จะเผยความเลวร้ายของทหารนี้ไม่มีเลยไม่พูดถึงเลยและกลุ่มที่กําลังต่อสู้กบเชริยาห์นี่โอ้โหซัดซัดซัดทุกวันเลยสัดไม่เหลือเลยไอ้แบบนี้จะให้จะให้เราเชื่อเหรอพราะว่าคุณนี่อยู่ในฝั่งกุศลานี่ ที่ทาไม่ไม่โดนหลอกง่ายนะครับแตตอก็ทำความดีทเนะนันก็ตามมนาบิสมัยนัีเะะมนาบิสมัยนบีเลเด็กกทำมาะมันมันยากเหลือเกินโอ้ทไมอะครัไมอับดุลลอฮ์ออลลวน้มูนาฟิกินยืนน้มิบาร์บีทุุ และจะเนรศิษฐหักก่อนวศุกนั้นเนรศหักพวกท่านต้องช่ฟังนบีของเรานะเราต้องภูมิใจต้องช่อฟังนบีใครอ่าพิถีนะอัลลอฮมีไว้มสนุนคเครห น, น้าจาอมิไวมิสนะนคเห็นมนะมีเขานะผูกสรบันนะใส่โต๊นะเพราะฉะนั้นอ ย, อย่าให้มีภาพลวงมาขัดขวางการมีเคราะ ตามหลักการหที well. ่้เชัดเจนเลยนะครับอาขี้ะตุลวะลอิวันบรออาคิดาอคิดาอะไรอัลวะลาอวับรอฟักไอาคิดาฟักไฟักใครฮุสตานใครฟักไฟศัตรูถลานี่ไม่มุสลิมนอยู่มบมท่านไม่พบเลย คนที่ตั้งใจเลานั่นบริโภคยูฮาอยู่าดูนมันขาดดั่งลลอฮฺระเสริฐที่เจตนิตลมกับผูที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์นะลูกศิษไม่พุดเลยเขาลักเลยทุกอย่างสนับสนุนเขาบ่งแทนเขาพูดแทนเขา